มีหญิงชาวอเมริกันคนนะึงนะอายุ38ปดีตัวเป็นมะเร็งและเมื่อพบว่ามะเร็งมันลุกลามมากจนกระทั่งเธอมาถึงระยะท้ายของชีวิตเนี่ยเธอก็โพส์ข้อความคนที่ติดตามติดตามเธอทางโซเชียลมีเดียไม่ว่าเป็น a c e b o o k หรือ Instagram ข้อความนั้นว่าอะไรนะว่า ถ้าว่าเธอสิ้นชีวิตแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยหรือใครก็ได้ช่วยทำความฝันหรือความปรารถนาของเธอให้เป็นจริงก็คือบริจาคเงินเพื่อช่วยจ่ายหนี้หรือลบหนี้ให้กับคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลในอเมริกานี่คนที่ เป็นนี่เพราะว่าไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลนี่เยอะมากนะมีเป็นหนึ่งร้อยล้านคนเลยนะเพราะว่าค่ารักษาพยาบาลในอเมริกามันแพงมากแล้าเธอเป็นคนป่วยเธอก็รู้ปัญหานี้นะเธอก็เลยอยากจะช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนไม่มีเงินจ่ายค่ารักษาพยาบาลเธอก็เลยตั้งความปรารถนาว่าเนี่ย อยากให้การตายของเธอเนี่ยมันมีส่วนในการช่วยเหลือคนที่เขาเดือดร้อนเพราะไม่มีเงินจน่ายนี่ไอ้ข้อความที่ว่านี่เธอโพสหลังจากที่เธอตายไปแล้วนะเธอบอกว่าเนี่ยถ้าคุณได้อ่านข้อความนี้ก็แสดงว่าฉันได้จากไปแล้วแล้วเธอก็ให้ผลว่าเนี่ยที่อยากจะให้ช่วยกันทำเรื่องนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นการ เฉลิมฉลองชีวิตเพราะคนเราเนี่ยการที่มีชีวิตมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของง่ายแล้วตัวเธอนี่ก็มีชีวิตที่มีความสุขนะแล้วก็จะรับสิ่งดีๆมากมายเธอก็อยากจะทําการเฉลิมฉลองชีวิตนะด้วยการเชิญชวนคนรู้จักหรือคนไม่รู้จักก็ตามที่ติดตามเธอทางโซเชียลมีเดียเนี่ย ให้ช่วยกันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ที่เขายัางลําบากเธอก็บอกว่าเนี่ยตอนที่เธอป่วยเนี่ยเธอก็ได้รับการดูแลอย่างดีเลยเพราะว่าอาชีพก็ใช้ได้แล้วก็มีประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันเค้าก่อจ่ายค่ารักษาพยาบาล แต่ว่าคนจำนวนมากในอเมริกานี่ไม่มีประ ก, กันนะแถมค่ารักษาพยหบานก็แพงมากที่แค่ทำฟันซี่เดียวนี้ก็หลายมือหรือเย็บแสนเลยเธอก็นึกถึงคนเหล่านี้ก็เลยเชิญชวนเพราะว่า ก, ก็มีคนที่รู้จักเธอติดตามเธอทาง Facebook i n s ต a g กร m นี่าบริจาคเงินมาก็าไม่น้อยนะ แสนเจ็ดหมื่นดอลลาร์ถ้าคิดเป็นเงินไทยก็มาสักห้าล้านกว่าบาทแต่ว่ายิ่งกว่นั้นคือว่ามันมีมูลนิธิหนึ่งนะที่มุ่งช่วยเหลือคนที่ติดหนี้นะทางด้านการแพทย์ก็มาร่วมรดนรงค์งกับเธอแล้วก็ประกาศนะว่าใครที่บริจาคให้เธอเนี่ยผู้หญิงคนนี้หนึ่งเซน ทางมูลนิธิก็จะสมทบให้เป็น1ดอลลาร์ก็คือร้อยเท่า1เซนก็คือ1ในร้อยของ1ดอลลาร์ใครบริจาคหนึ่งเซนมูลนิธิจะสมทบอีกเป็น1ดอลลาร์บอกว่ายอดก็เลยเพิ่มขึ้นเป็น17ล้าน17ล้านนี้ก็500้อยกว่า17ล้านดอลลาร์นี้ก็500้อยกว่าล้านบาทก็เยอะนะแต่ว่ามันก็คงเหมือนกับ จดน้าในมหาสมุทรนะเพราะว่าคนอเมริกันที่เป็นหนี้เพรา ะ, ะไม่มีเงินจ่ายเนี่ยนะโอยมีเยอะมากนะอย่างที่ว่านี่มีเป็นร้อยล้านคนถ้าคิดเป็นตัวเงินก็ไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนล้านบาทแต่ว่าได้มาร้อยเจิล้านเหรียญ น, นี่ก็ไม่ถือว่าน้อยนะก็ช่วยคนได้เยอะนะ จะช่วยกันจะปลดหนี้ของใครคนไหนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่เธอทำนี่มันน่าสนใจมากคือเธอเนี่ยเป็นคนที่ยอมรับความตายเมื่อรู้ว่าจะตายแล้วเนี่ยถึงจุดหนึ่งเนี่ยก็ไม่ยื้อแล้วไม่ยื้อชีวิตขอไปอยู่สถานดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่เรียกว่ฮสตพสิก็รับการดูแลแบบประคับประคอง การอะแประบประคับประคองคือว่าไม่ยือ้อไม่ยื้อชีวิตไม่เจาะค อ, อไม่ใส่ท่อไม่ปั๊มหัวใจไม่ต้องเข้าห้อง i อซยูด้วยซ้าแต่ว่าให้ช่วยบรรเทาความเจ็บความปวดเท่าที่จะทําได้แล้วก็ให้อยู่สุขสบายนอกจากเธอจะยอมรับความตายของตัวเองได้แล้วเนี่ยนะอยังถามยิ่งกว่านั้นนะคือว่าอยากให้ความตายยังมีคุณค่า ก็เลยโพสต์ข้อความนี้แหละให้ความตายตัวเองเนี่ยมันมีส่วนในการช่วยชีวิตหรือว่าบรรเทาความทุกข์ของคนที่ยากจนและเจ็บป่วยแต่ว่าไม่มีเงินนะที่จะจ่ายหนี้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเึืองไทยเราโชคดีนะเด๋ยวนี้เนี่ยใครเจ็บป่วยเนี่ยรัฐก็ออกเงินให้ น่าจะไม่ไม่ครอบคุม1้อเอร์เซนะขึ้นอยู่กับว่าเจ็บป่วยได้โรคอะไรแต่ก็ช่วยคนยากคนจนได้เยอะเพราะว่าเรามีหลักประกันสุขภาพนะที่สมัยก่อนเรียกว่า30สิบาทรักษาทุโรคเนี่ยมันช่วยคนยากคนจนได้มากเลยนะบางคนนี่ก็พออยู่พอกินนะแต่พอป่วยเนี่ยโรคหัวใจเนียไม่มงพูดถึงมะเร็งหรือประสบอุบัติเหตุนี่ เรียกว่าเป็นหนี้ท่วมหัวเลยสมัยก่อนนะเพราะว่าไม่มีเงินค่ารักษาพยาบาลมีเงินแค่ประทังชีวิตให้อยู่ไปวันๆหนึ่งแต่ว่าพอเจ็บป่วยนี่เรียกว่าล้มละลายเลยต้องขายบ้านขายที่เพื่อมาจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่เดี๋ยวนี้เรามีกองทุนนะเพื่อช่วยเหลือทุกคนนะที่ประสบความเจ็บป่วย ยกเว้นบางโรคหรือว่ายกเว้นยาบางตัวที่มันเรียกว่าอยู่นอกบัญชีอันนี้ก็ต้องจ่ายเองแต่มันก็ช่วยบรรเทาคนได้เยอะแต่อเมริกาไม่มีนะวันนี้เพียงคนนี้เนี่ยเธอก็เป็นคนที่ใจประเสริฐมากนะระหว่างที่เธออยู่ที่ฮอสปิตเนี่ยรู้ว่าความตายใกล้เข้ามาแล้วเธอก็บอกว่าเธอก็มีความสงบนะเธอบอกว่าเนี่ยช่วงเวลาหเดือนสุดท้ายนี่เป็นช่วงเวลาทีฐฐ่พิเศษมาก ทั้งที่ใกล้จะตายแล้วแต่ว่าอยอมรับความตายได้แต่ว่าทำยิ่งกว่า น, นั้นนะคือว่าอยาให้ความตา ย, ยาตัวเองเนี่ยมันมีคุณค่าช่วยเหลือช่วยเหลือผู้อื่นที่เขาเดือดร้อนเ่คนที่คนเราเวลาจะตายเนี่ยแล้วยังคิดถึงคนอื่นนะที่ไม่ใช่คนในครอบครัวไม่ใช่ลูกไม่ใช่หลานไม่ใช่พ่อแม่ใครก็ไม่รู้นะที่เดือดร้อนอันนี้เรียกว่าใจประเสริฐมาก ก็เป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะแต่ว่าเธอก็คงไม่ได้นึกถึงบุญหรอกเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ไม่ใช่ชาวพุทธแต่ว่านึกถึงเพื่อนมนุษย์ที่ลาบากคนร้อยเนี่ยยิ่งเมื่อใกล้าตายเนี่ยยิ่งนะต้องคิดถึงการทําความดีการทําบุญทํากุศลให้มากแม้จะไม่เรียกสิ่งดีๆหรอกนะ่าบุญกุศลนะแต่มันก็มีผลทางใจ มีอา마คนหนึ่งนะตอนที่จะตายเนี่ยนะแกไม่เพียงแต่จัดการหนี้สินการจัดการทรัพย์สินให้เรียบร้อยนะแบ่งมรดกให้ลูกหลานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมแล้วเนี่ยเธอยังยกหนี้นะให้กับคนมากมายเลยมีคนเป็นหนี้เพราะกู้ยืมเงิน เ, นเธอนี่เยอะมากนะเพราะเธอร่ํารวยแต่พอจะตายนี่ ยกนี้ให้หมดเลยถือว่าเป็นการปลดเปื้องภาระเ้อยังไม่ได้คิดถึงเรื่องการทำบุญนะแต่ถือว่าปลดเปื้องภาระไม่ต้องมีความก่่งหาอะไรเงินทองนี่สิอีกลวจะได้ไปสบายอีกอย่างหนึ่งก็คงคิดว่าเนี่ยไหนๆจะตายแล้วก็อยากจะให้ช่วยลดความทุกข์ นะความเดือดร้อนของคนอื่นด้วยก็ปลดหนี้ซะเลยนะเมื่อคนก็สารเสริญเงินใหญ่เลยนะสารเสริญทั้งที่เธอก็ไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บดอกเปี้ยแพงอยู่แล้วแต่พอปลดหนี้ใ ห, ห้คนก็ชื่นชมนะแล้วก็ซาบซึ้งมากนี่เป็นวิธีการทําบุญทําความดีนะนะก่อนตายซึ่งจะว่าไปแล้วก็ดีกว่านะการอา สร้างหรือว่าการจัดงานศพให้มันยิ่งใหญ่เออกเะเรกิกแต่ว่าอาจจะไม่ได้ช่วยคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเท่าไหร่งคนเราเนี่ยถ้าคิดถึงเรื่องการทําความดีไม่ใช่เฉพา ะ, ะงานวันเกิดงานที่สําคัญของชีวิตแต่ทาความดีตลอดทั้งชีวิตและยิ่งใกล้ตายนี่ทำความดีให้มากมากนึกถึงผู้อื่นให้เยอะ มันก็จะช่วยทำให้ใจนี่พร้อมที่จะรับความตายนึกถึงบุญกุศลแล้วเกิด จ, จิตใจปราบปพื่นปิติอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยบุญต้อมทำให้เกิดสุขในเวลาสิ้นชีวิตอย่าไปนึกถึงบุญเฉพาะถวายสังฆทานหรือว่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากคนที่ไม่มีเงินใจนี่เพราะว่าอยากจนไม่มีค่ารักษาพยาบาลจนนี่สินล้นพ้นตัวนี่ก็อันนี้ก็ ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าจะนึกถึงนะหรือคนอื่นก็ได้นะที่เขาเดือดร้อนหรือสังคมที่ต้องการป่าต้องการธรรมชาติที่รื่นรมก็อุดหนุนส่งเสริมนะให้มีสิ่งเหล่านี้มากขึ้นก่อนที่เราจะตายแม้กระทั่งการให้อภัยนะการปวดเปื้อนนี่สินของใครต่อใครก็เป็นสิ่งที่ ช่วยทำให้การตายของเรานี้มันมีคุณค่าขึ้นมา